เรียนต่ อ, อคุณปุถท่านอกอนจัดนานๆหลวงพ่อเจอนะเทศงานศพสักทรั้งนนะสติไม่ได้รับงานอย่างนี้หรอกทีแรกจะมาเผาศพเฉยๆไม่ได้คิดจะนาเทศธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์จะเป็นเรื่องของกรรมฐานจริงเรื่องเอาไปปฏิบัติจริงๆธรรมะภาคปฏิบัตินะี้ถ้าคนที่ไม่สนใจ เวลาแสดงธรรมธรรมาภาคปฏิบัติไม่เหมือนปริยัตยิปริยัตยิที่เตรียมหัวข้อมาประเทศไปตามหัวข้อแต่ธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาใจมาแลกกันคนฟังนะต้องมีความสนใจอยากจะฟังธรรมะต้องมีความสงบมีความสำรวมมีสมาธิธรรมะเพื่อถ่ายทอดจากผู้แสดงไปสู่ใจของผู้ฟัง รือว่าเป็นเรียนกันด้วยจิตต่อจิตไม่ใช่เรียนด้วยปากกับสมองยังพวกเราคนไหนถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะบาทีฟังแล้วก็งงๆว่าหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะธรรมะก็คือเรื่องของตัวเราเองเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเอง ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกตลอดเวลาอีนนี้เรียกว่าเราเรียนมาเรียนความจริงของร่างกายในจิตใจเราก็จะมาเรียนให้เห็นความจริงในใจก็คือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในจิตใจของเรา เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะ้นนอยู่ไม่ได้นานความสุขเกิดขึ้นอยู่ได้ไม่นานก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวก็หายไปเหมือนกันน้เราจะเรียนต่อไปเราก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่าความรู้สึกควาคิดทั้งหลายในใจเรามันเกิดเองมันดับเอง เราบังคับมันไม่ได้อย่างเราจะสั่งว่าให้จิตใจเรามีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์เราสั่งไม่ได้หราจะสั่งให้มันดีตลอดเวลาห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงมันห้ามไม่ได้นี่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจตัวเองถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจได้นะต่อไปเนี่ยความทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงจนถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์เหลืออีกต่อไปความทุกข์มันจะเหลืออยู่เฉพาะความทุกข์ทางร่างกาย แต่จิตใจนะมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปคนทั่วๆไปที่เขาไม่เคยศึกษาธรรมะเวลาร่างกายเขาแก่เ ข, เขาก็รุ่มใจรู้สึกว่าเราแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็รุ่มใจว่าเราตัวเราเจ็บป่วยหรือเวลาจะตายาก็รุ่มใจว่าตัวเราจะตายเนี่ยคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าได้ศึกษาธรรมะเราจะเห็นว่าใครแกะละ่ล่ะร่างกายมันแก่ใครเจ็บร่างกายมันเจ็บใครตายร่างกายมันตายมันไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปถ้าเห็นได้อย่างนี้เวลาที่จ ะ, ะเผชิญกับความจริงของชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายนี่คือความจริงของชีวิตที่เราเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นงั้นถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้จิตมันเข้าใจความจริง ของร่างกายนี่ยเพราะมันจะแก ا, มะ one, ่มันจะเจ็บมันจะตายจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวมันเห็นว่าร่างกายหรอกที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่ตัวเราในทางจิตใจถ้าเราคอยมาคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเราเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปนะความโลภความโกรธความหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเราดูมากๆนะดูซ้ําแล้วซ้ำอีก ดูกันเดือนเดือนปีถ้าดูมากๆแล้วใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตใจนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งหมดอะไรๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิ้นจะทั้งความสุขก็ามาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปถ้าจิตใจมันเข้าใจความจริงตรงนี้เวลาที่ความสุขมันผ่านมาเนี่ยเราจะไม่หลงลำพองไม่หลงระเริว่าความสุขจะต้องอยู่กับเราตลอดไป งั้นเวลาเราไม่หลงว่าความสุขจะต้องอยู่กับเราตลอดอยเวลาความสุขมันหายไปยังไงมันก็ต้องหายเพราะความสุขเกาไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาความสุขมันหายไปเนี่ยใจเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่หิวโหยอยากจะให้ความสุขนันอยู่กับเรานิรันดร์หรือเวลาที่ความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจเราคนทั่วๆไปเนี่ยทุรนทุรไรเวลาอย่างต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจิตใจมันทุรนทุรไร มันหิวโหยความสุขมันเกลียดชังความทุกข์หรือเวลาที่เราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเจอคนที่เราไม่ชอบใจใจมันมีความทุกข์ขึ้นมาเราอยากให้มันหายไปเรื่อๆเวลาเรามีคนที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักเนะอยากให้อยู่ตลอดไปเราอยากให้คนที่เรารักอยู่กับเราตลอดไปมันก็อยู่ไม่ได้อย่างอาจารย์ชัดให้เป็นที่รักของคนจานวนมากถึงวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไป ถ้าใจของคนไม่เคยภาวนาพอคนที่เรารักตายไปหรือคนที่เรารักจากไปเราก็รุ่วมใจเสียอกเสียใจน้ําตาหนองหน้าถ้าหากเราภาวนามากพอเรารู้เลยว่าความรู้สึกรักความรู้สึกเกลียดความรู้สึกทุกความรู้สึกสุขเป็นของชั่วคราวงั้นสิ่งที่เรารักคนที่เรารักมาแล้วก็ไปเน่มันเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจมันจะไม่หวั่นไหวหรือเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเราเจอคนที่เกลียด หรือเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างบ้านเราอยู่ของเราสงบสงบนะข้างบ้านเอาหมามันเลี้ยงหมาตัวนี้เหา่ากลางคืนทุกคืนเลยเราจะนอนหมาก็เห่าอยู่นะใจเราก็เกลียดยิ่งเกลียดหมานะเราจะยิ่งตั้งใจฟังนะ ย, งยิ่งตั้งใจฟังว่าเมื่อไหร่มันจะเหา่าคอยสนใจมันเนีย่ยเรารักอะไรเราก็สนใจนะั้นแหละเราอยากให้อยู่นานๆมันอยู่ไม่ได้เราก็ทุกข์เราเกลียดอะไรนะเราอยากให้มันหายไปเร็วๆมันไม่หายเราก็ทุกข์ งั้นจริงๆแล้วสิ่งสภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่เราพบเนี่ยมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดถ้ามันมีเหตุเหตุของมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุของมันดับตัวมันต้องดับเราไม่อยากให้ของที่ยังมีเหตุอยู่ให้มันหายไปนะมันไม่หายอยากให้ของซึ่งมันดับไปแล้วนะไม่มีเหตุแล้วอยากให้มันอยู่อีกมันก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงงั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริง ของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจนี่เองเวลาร่างกายเจ็บป่วยร่างกายไม่สบายร่างกายจะตายเวลาเราพลาดพลากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักใจมันจะวันไหวแบบเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้เรามีสตินะค่อยๆหัดค่อ ย, อ ย, อยเรียนรู้ไปการฝึกกรรมฐานเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากเข้าที่เราคิดหรอก ส่วนมากที่เราไปได้ยินว่าฝึกกรรมาฐานนะต้องทําอย่างน้นต้องทําอย่างนี้เรื่องมากเกินกว่าความเป็นจริงหลวงพ่อตอนเด็กๆนะเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อดีวัดอโศการมไปหาท่านตั้งแต่อย่างเล็กๆเจ็ดขวบไปถึงท่านก็จับนั่งขัดนะส่วนนักไม่เช่พาอหลวงพ่อหรอกท่านเจอเด็กท่านก็จับนั่งขัดไม่ใช่ว่าเราวิเศษตราประดุจอะไรหรอกท่านก็สอนกรรมาฐานให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่ง หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสอง น, นีตอนนั้นเด็กมากท่านสอนอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าท่านสอนไปเพื่ออะไรแต่ว่ารักท่านนะครูบาอาจารย์สอนก็ทำกลับมาบ้านนะทุกวันต้องฝึกตรรมฐานนะฝึกอนัปปานสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพุดโทนับสอง น, นี้ท่านพ่อรีท่านสอนไปนับถึงสินะแล้วก็นับมา9กนะ้าแดเจดหห้าอะไร พราพ่อเป็นเด็กเล็กๆนับเลขถอยหลังไม่เปลีนนะ่ยนนับเราเครียดเลาก็พลิกแปลงการปฏิบัติออกแทนที่จะนับตึงถึงสิบนับไปถึงร้อยล้วก็นับหนึ่งใหม่ไม่ไม่นับถอยหลังถ้านับไปนับไปนะใจมันสงบถ้าใจสงบเนี่ยการนับเลขมันหายไปเหลือแตห่หายใจเข้าพูดหายใจออกโตอ้าใจมันสงบมากขึ้นเนี่ยพุทโทหายไปเหลือแต่การหายใจพ้าใจสงบมากขึ้นอลมหายใจหายไปแล่ยเป็นแสงสวา่าง ตอนเด็กๆแล้วก็อยู่ตรงนี้เองไปไหนไม่ได้เบางกีอยากรู้อยากเห็นอะไรข้างนอกจิตมันก็ออกไปรู้ไปเห็นก็ไม่ผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีสาระอะไรแล้วก็กลัวมากเลยว่าถ้าจิตออกไปข้างนอกนะไปเห็นเทวดาไม่กลัวแต่ถ้าเห็นผีจะ ก, กลัวเป็นคนกลัวผีดังั้นเวลาหายใจนะพอใจมันจะเคลิ้มมันจะเคลื่อนออกข้างนอกเนี่ยเรากลัวว่าออกไปแล้วจะเจอผีก็ไม่ยอกให้ออกนะหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัว ไม่รู้หรอกว่ากําลังฝึกกรรมฐานที่สําคัญอันหนึ่งอยู่โดยที่จิตมันคลําทางของวันไปแล้วครูบาอาจารย์สอนแต่หายใจเข้าพูดออกโทรเราก็มุ่งไปตรงนี้เราคิดว่าทําไปเพื่อให้มีความสุขความสงบนี้ทําไปทําไปพอจิตเคลื่อนออกไปเรารู้ทันไม่ยอมให้เคลื่อนกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกมันเป็นการฝึกให้จิตใจนี่มีความรู้สึกตัวนะต่อไปเวลาจะหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัว จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้สึกตัวนี่เราเาวฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะไม่แต่เป็นธราวาสฝนะึกอยู่ตั้งยี่สิบสองปีหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ไม่บรรลุอะไรหรอกมันก็ได้แต่ความสุขความสงบจิตมันก็รู้ตัวเด่นดวงอยู่อย่างนั้นเฉยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นความเสียหายนะการที่เราฝึกจนทั้งจิตใจมันอยู่กับตัวเองเพียงแต่มันเดินปัญญาไม่เป็นมันสงบอย่างเดียวมันไม่เดินปัญญานะ จนบานหลังมาเจอครูบาอาจารย์มาเจอหลวงปู่ดุลตอนนั้นอายุตั้งยนะี่สิบเก้าแล้วตั้งแต่เจ็ดปวกนะทำแต่สมาธินั่งสมาธินั่งปุกนั่งปั๊กปบก็สงบเลยนะแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าต้องเดินปัญญาก่อนหน้าจะเจอหลวงปู่ดุลก็ได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นนะท่านสอนให้พิจารณากายเหมือนกันมาดูร่างกายดูดูไม่นานก็ระเบิดร่างกายแตกสลายไปเหลือแต่ใจดวงเดียวใจ เด่นดวงอยู่ไม่ไปไหนต่อไม่เป็นอีกแล้วเรียกวมันไม่เดินปัญญามีแต่สมาธิไม่เดินปัญญาเพื่อนมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนให้เจริญปัญญาด้วยการรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองท่านสอนง่ายๆเลยท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อได้ยินท่านสอนว่าให้อ่านจิตตนเองนะก็พยายามรักษาจิตเอาไว้ ฝึกไปได้นะถ้าจิตจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งอะไรหนึ่งไม่ยอมให้มันสงบนิ่งอยู่แล้วก็จ้องเฝ้าจ้องไว้อย่างนั้นฝึกอยู่สามเดือนะที่ว่าแม่เราเจ็กมากแล้วเรารักษาจิตได้ตลอดเวลาเลยก็ออกไปกราบหลวงปู่ดุลั้งที่สองหลวงปู่ครับผมดูจิตได้แล้วเนี่จิตมันทีแรกมันก็ปรุงแต่งสารพัดเลยนะเราฝึกไปฝึกไปมันเด่นดวงขึ้นมาหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยอันนั้นเป็นการแทรกแสงอาการของจิต ธรรมชาติของจิตเราต้องคิดนึกปลุ่มแต่งเราไปพยายามทําจิตให้ไม่คิดไม่นึกไม่ปลุ่มไม่แต่งซึ่งไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกท่านบอกให้ไปทําใหม่ให้ไปดูไม่ใช่ให้ไปทําไปดูมันเหมือนเราไปอ่านหนังสือเนี่ยหนังสือมีเรื่องแบบนี้เราก็าอ่านหนังสือมีเรื่องอีกอย่างหนึ่งเราก็าอ่านหรือเราดูหนังหนังมันมีเรื่องบทรักมีบทโกรธเลยมันเป็นบทยังไงเราก็าดูมันไปอย่างนั้น เราดูใจมันแสดงหลับพรไปนะเราทําตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแสงมันนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะพาวนาผิดตรงที่ว่าไปบงังคับจิตไปแทรกแสงจิตหลวงพ่อนะคราวหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดุลนั่งกับหลวงปู่นเนี่ยหลวงปู่เป็นพระที่ไม่พูดมากเราต้องนั่งเงียบเงบแล้วพาวนาของเราไปเรื่อยๆถ้าเราภาวนาไปธรรมะของท่านคือถ่ายทอดออกมาท่านก็จะสอนเราถ้าธรรมะ้วไม่ถ่ายทอดจิตใจเราวอกแวก ท่านก็ไม่พูดอะไรนั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ไม่พูดอะไรวันหนึ่งท่านพูดออกมาว่าเราพิจารณาดูแล้วนักปฏิบัติเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยส่วนใหญ่นะกระทั้งว่ามีชื่อเสียงดังๆว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ๆนะส่วนมากไปเป็นผีใหญ่ท่านว่าอย่างนี้ไปเป็นผีใหญ่คือไปเป็นพรหมแล้ท่านก็หยุดไม่พูดต่อแล้วแ้วก็รู้ว่าวส่วนใหญ่ภาวนานแล้วเป็นผีใหญ่ไปเป็นพรหมคือไปฝึกให้จิตมันสงบอยู่เฉ ย, เฉย ไม่ได้ฝึกเจริญปัญญาที่แท้จริงการที่จะเจริญปัญญาเนี่ยอยากเข้าไปแทรกใส่จิตตามองเห็นพอเราเห็นคนนี้ขึ้นมาใจมันชอบให้รู้ว่าชอบมันเห็นคนนี้เกลียดให้รู้ว่าเกลียดนะมันเห็นดอกไม้อย่างนี้มีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขเห็นซากศพใจสลดสังเวชรูร้ว่าสลดสังเวชนะได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเข้าชมนะใจพองขึ้นมารู้ว่าใจพอง ได้ยินเสียงคนเขาดา่าใจมันเดือดขึ้นมารู้ว่าใจมันเดือดเนี่ยหัดรู้หัดดูของจริงไปอย่างนี้ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเราจะได้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเมื่อเกิดแล้วต้องดับทั้งสิ้น เนี่ยให้เราหัดรู้หดัดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสัำแล้วซ้อีกใช้เวลาไม่มากบางคนใช้เวลาไม่กี่เดือนคนใช้เวลาไม่กี่เดือนจิตมันก็เข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานหน่อยบางคนก็ใช้เวลานานมากๆเพราะว่าขี้เกียจทาดูบ้างขี้เกียจบ้างงโรคขี้เกียจเนี่ยเป็นโรคอันตรายร้ายแรงอันดับหนึ่งนะ เวลาหลวงพ่อสอนกรรมฐานลูกศิษย์เนี่ยถ้าใครส่งกันบ้านมารายงานไว้ขี้เกียจเนี่ยวุ้แทบจะไล่ออกจากวัดเลยนะไม่ชอบเลยมันต้องต่อสู้ขี้เกียจไม่ได้เพราะอะไรมันเหมือนไฟไหม้บ้านเน่ยขี้เกียจวิ่งหนีปล่อยให้ไฟครอกตายความทุกข์กำลังบดขยี้เราอยู่ความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ข้างหน้าความคัดพลาดจากสิ่งที่รักการจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักรออยู่ข้างหน้า แล้วเราอยักจะมาท้อแท้ใจไม่อยอมฝึกฝนตัวเองให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาทุกๆอย่างอย่างนั้นมันอ่อนแอเกินไปถือว่าเป็นคนเหลวไหลนะถ้าจะไม่เหลวไหลต้องสู้จริงๆเลยถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยวิธีที่จะฝึกกรรมาฐานที่ง่ายๆนะถือศีลห้าต้องถือศีลห้าถ้าไม่มีศีล น, นะใจจะฟุ้งซ่านถ้าถือศีลก็ไม่ใช่ถือเพื่อว่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูดีกว่าคนอื่น ถ้าตือศีลเพื่อว่ากูเก่งกว่าคนอื่นปู่ ด, ดีกว่าคนอื่นนะไม่ได้ว่าศีลวิสุทธ์นะไม่ใช่ศีลที่บริสุทธิ์ศีลบริสุทธิเนี่ยฝึกไปเพื่อจะม า, าลดลากิเลสของ ต, ตัวเองมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองอย่างเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทําตามใจไม่ทําตามความโกรธไม่ไปฆ่าเขาไมันไปตีเขาไม่ไปทำร้ายเขาเนี่ยเราฝืนใจตัวเองเราฝึกตัวเองอดทนอดกลั้นไปด้วย คนที่มีศีลนะต่อไปใจันจะมีความสุขมีความสงบคนที่ไม่มีศีลนะใจจะฟุ้งซ่านคนที่คิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะทำร้ายคนอื่นใจจะฟุ้งซ่านคนที่เมตตาคนอื่นใ จ, จสงบคนที่คิดจะขโมยของเขาใจฟุ้งซ่านคนที่ไม่คิดจะเอาของคนอื่ ν, ในนะถ้าใจดีกว่านั้นสามารถให้ส่วนเกินกับคนอื่นได้ด้วยใจิตใจมีความสุขมีความสงบคนที่คิดจะไปเป็นชู้กับเขานะไม่มีความสงบ คนที่ซื่อสัตย์อยู่ในผู้ของตัวงสงบ ก, กว่านะคนที่โกหกหลอกลวงเนี่ยจิตใจไม่สงบคนที่พูดความจริงจิตใจสงบ ก, กว่าคนที่เล่าเมายาจิตใจฟุ้งซ่านนะคนมีศีลไม่ธรรมไม่กินเล่าเมายานะฝึกสติฝึกอะไรไปจิตใจสงบเพั้นที่เราฝึกศีลห้านะเราพยายามตือศีลห้าเนี่ยเพื่อให้ใจมันมีสมาธินะให้มันมีสมาธิขึ้นมาถ้าเราขาดศีลเราใจจะฟุ้งซ่านนะ นี่ต้องฝึกนะขั้นแรกถือศีลห้าไว้ใครมันจะว่าเราโง่เพราช่างมันโง่ก็โง่ไปถึงวันหนึ่งนะระหว่างเราถือศีล น, นะคนว่าเราโง่ให้คนมั น, นทุศีลทําแต่ความชั่วไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างคนมีศีลมีธรรมมันมีความสุขมันมีความสงบมันมีความร่าเริงเบิกบานอยู่ในใจของตัวเองคนไม่มีศีลจิตใจไม่ดีเลยฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจถือศีลห้าไว้นะเพื่อให้จิตใจสงบง่าย พอเราถือศีลห้าได้แล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราควรจะทําต่อไปก็คือฝึกกรรมฐานวิธีฝึกกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ฝึกบังคับจิตให้นิ่งเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่พุโทโธก็ไม่ใช่พุโทโธเพื่อให้สงบหายใจก็ไม่ใช่หายใจเอาความสงบเพราะความสงบนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อมักผลนิพพานเราพุโทโธไปเพื่อคอยรู้ทันใจของตัวเองเช่นพุโทโธพุโทโธไปจิตสงบเราก็รู้ทัน พุทโธไปจิตฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันพุทโธไปจิตใจมีความสุขก็รู้ทันพุทโธไปวันนี้กลุ่มใจก็รู้ว่ากลุ่มใจพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปหรือเราหายใจก็ได้นะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจบ่อยๆหายใจแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูฝึกเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่หายใจไปแล้วรู้ทันจิตหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วจิตสงบก็รู้ หายใจแล้วจิตมีความทุกข์ก็รู้หายใจแล้วจิตมีความสุขก็รู้หายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่เรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตมันจะไหลไปตลอดเวลาไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปชิดจิตมันจะไหลอุตลุณตลอดเวลาถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไม่ไหลนะสมาธิที่แท้จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิต งั้นจะไปแปลมากง่ายนะมันส่วนใหญ่ชอบไปแปลสมาธิว่าความสงบความสงบไม่ได้เป็นไปเพื่อมากผลนิพานแต่ความตั้งมั่นจิตนั้นมันถอนตัวออกมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูดูอะไรมันดูร่างกายแสดงละครให้ดูนะดูร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันแสดงให้เราดูแสดงไปแสดงไปดูมากๆเข้าจิตก็ฉลาดเกิดปัญญารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกนะเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุแล้วเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายนะปัญญามันเกิดม่นจะเห็นว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ทุกข์นั้นเลยทำไมต้องเปลี่ยนอียิยาบทเปลียนอิริยาบทเพื่อห น, นีความทุกข์เราทดลองดูนะเราลองหายใจเข้าสิ หายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ลองดูออาหายใจให้ยาวเลยยาวที่สุดในชีวิตลองดูสักครั้งสุขหรือทุกข์ทุกใช่ไหมหายใจเข้าจะทุกข์เราก็หายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกให้นานนานนะทุกข์อีกแล้วนะต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์เรานั่งอยู่ก็ทุกข์นะก็ต้องขยับเวทีที่จะบทแก้ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ต้องขยับไปขยับมาพลิกไปคลิกมาเพราะมันทุกข์ เนีถ้าเรามีมีสตินะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามาดูท่างกายเราจะเห็นในร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกทุกอีกอยาบดร่างกายมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่คือตัวปัญญานะสุดท้ายใจมันรู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษนะพอมันรู้ความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเนี่ยเวลาร่างกายแก่เนี่ยมันคือตัวทุกข์แก่ร่างกายเจ็บ มัคือตัวทุกเจ็บร่างกายตายคือตัวทุกตายมันไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษของเราตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายแต่มันทุกมันแก่มันเจ็บมันตายนะสมน้ําหน้ามันนะใจมันจะไม่หวั่นไหวเลยเรียกค่ายๆฝึกไปหรือเรามาหัดดูจิตใจนะจิตใจเราอยู่กันเน้กับตัวเราหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปพอจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจใจของเราเปลี่ยนแปลงเสมอเราเปลี่ยนเมื่อตามมองเห็น ใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนวิ้นกระทบรถใจก็เปลี่ยนมีสิ่งมาสัมผัสร่างกายจิตใจก็เปลี่ยนใจมันคิดนึกจิตใจก็เปลี่ยนอย่างเราคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงใครขับรถบ้างมีคนไหนขับรถเองไหมใครถูกปาดหน้าไหมปาดหน้าแล้วต้องโกรธใช่ไหม สังเกตไหมว่าเราไม่ได้โกรธตอนที่เห็นเขาปาดหน้าเขาปาดหน้าตอนที่เห็นเขาปาดหน้ายังไม่โกรธนะต้องคิดนิดหนึ่งก่อนต้องมีพยาบาทพิตกิก่อนต้องคิดในทางไม่ดีก่อนนะคือจะโกรธคิดด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะใจเ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยพรมันโกรธขึ้นมาเราก็มีสติรูธธ้ทันเมื่อกี้ใจเฉยๆพอใจไปคิดเข้าความโกรธก็เกิดขึ้นมาะหรือเราไปคิดเข้าความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นมาเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้า ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกรรมมราคะไหมมีกรรมมราคะไหมคือความต้องการในกรรมมีไหมท่านตอบว่าไงไหมท่านไม่ได้ตอบบอกว่าเราไม่มีกรรมมาราคะเพราะเราเป็นพระอาหารหันต์ท่านไม่ตอบอะไรอย่างนั้นเลยนะท่านบอกว่าเราไม่มีกรรมราคะเพราะเราไม่มีกรรมวิตกเพราะเราไม่ตรึกในกรรมนะของเราเนี่ยเวลากิเลสมันมายุ่งเราก็จะตรึกยุ่งอย่างนี้ ค, คิดไปทางไม่ดีนะโทสะก็เกิด ยั่วยอย่างนี้คิดไปในทางดีนะราคาก็เกิดราาักไข่บุกขันขึ้นมางั้นเรามีสติไว้นะถ้าจิตเราเปลี่ยนแปลงจิตมันโลภขึ้นมาเรารู้ตามองเห็นจิตมันเปลี่ยนมันโลภแล้วตามองเห็นจิตมันโกรธแล้วรู้ทั น, นหูได้ยินเสียงหรือใจมันคิดใจมันคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลฮักรู้ลงไปอย่างเนี้เราจะเห็นว่าจิตใจน่ะเปลี่ยนไปได้เอง ไม่ได้เจตนาจะโกรธก็โกรธได้เองไม่ได้เจตนาจะโลภก็โลภได้เองไม่เจตนาจะเผลอก็เผลอได้เองมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้า ด, ดูลงไปนะจะเห็นว่าจิตใจเป็นเแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ไปดูนะสักเดือนหนึ่งสองเดือนสาเดือนไม่ขอมากหรอกแต่ว่าขยันดูดูบ่อยๆเวลาจะดูเนี่ยอย่าไปจ้องนะให้ความรู้สึกมันเกิดไปตามธรรมชาติใช้ชีวิตธรรมดาเลย นะถือศีลห้าไว้แล้วใช้ชีวิตธรรมดาของเรานี้แหละใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเพราะมันกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันใจตัวเองไปนี่แหละคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าการดูจิตดูจิตไม่ใช่จ้องตัวจิตผู้รู้ไว้แต่ดูจิตเนี่ยเห็นว่าจิตนั้นมันเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวก็จิตก็โลภเดี๋ยวจิตโกรธเดี๋ยวจิตหลงเดี๋ยวจิตสงบเดี๋ยวจิตฟุ้งซ่านแล้วทั้งหมดเนี่ยมันแต่ไม่เชียย ทั้งหมดนี่ล้วนแต่บังคับไม่ได้เป็นไปเองนะเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใช้เวลาไม่กี่เดือนหรอกนะถ้าบารมีเราพอนะไม่กี่เดือนแบบจิตระยะเข้าใจธรรมะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนะียจิตจะดวมเข้าอัปปนานสมาธิเข้าฌานเข้าของมันเองนะพอมันรวมแล้วอริยมรรคก็จะเกิดของมันเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นั่นะอยู่ที่เรานะที่ฝึกของตัวเราเอง เ, อเบื้องต้นได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วเนี่ย เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันเห็นว่าร่างกายมันเป็นมันไม่ใช่เราเวลาคลาดคลาดจากสิ่งท like ี่รักมันก็เห็นมังก็แค่ความรู้สึกรักคนที่เรารักมันไม่ได้มีจริงนะมีความรู้สึกเท่านั้นเองเกลียดก็ความรู้สึกเกลียดเท่านั้นเองทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างเนี้อย่างขนาดเนี้ยฟุ้งซ่านรู้สึกไหมสนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังหลวงพ่อรู้สึกไหมเนี่ยใจมันไปใจมันสนใจห้ามมันไม่ได้ แต่ให้รู้ถันว่าฟังเทศอยู่ดีๆแอบไปข้างโน้นลนะคอยรู้ทันใจของตัวเองนะว่าวันหนึ่งจะเห็นเลยว่านะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นภูมิทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราฝึกรู้ฝึกดูไปนะถ้าเราเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่างนะี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่นะบางคนนะแค่เจ็ดปีบรรลุพระอรหันต หรือเป็นผ้าหนักขาบางคนหกปีบางคนสามปีบางคนปีเดียวบางคนเจ็ดเดือนบางคนสามเดือนบางคนเดือนเดียวบางคนเจ็วันบางคนสามวันบางคนวันเดียวจะได้พระอรหันต์หรือเป็นผ้านักขามีของเราอินทรีย์อ่อนนะพรวิตาเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรนี่นะได้โสดา็บุญแล้วหลับเพราะวันวันหนึ่งเนี้ยภาวนาน้อยฟุ้งสั้นมากฝึกนะไม่มีใครช่วยเราได้หรอก เราต้องช่วยตัวเราเองไม่ช่วยตัวเราเองถ้าพระพุทธเจ้ามายืนต่อหน้าเรานะก็ช่วยเราไม่ได้นะไม่มีใครช่วยเราได้เลยเพราะพระพุทธเจ้านะท่านยังบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางให้ท่านบอกวิธีปฏิบัติให้หน้าที่ของเราต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตัวของเราเองถ้าชาวพุทธไม่ปฏิบัติทำจะให้ใครเข้ามาปฏิบัตินะต้องระวังนะพระศาสานาใกล้จะสูญเป็นทีละ ทุกวันนี้คนไม่ได้เป็นชาวพุทธแล้วนะเป็นแต่ชื่อเป็นชาวพุทธตอนตายเท่านั้นอ่ะเวลาจะจัดงานศพยังมาจัดทวีตี่วัดแต่โลวงพ่อไปเห็นบางประเทศนะเขาไม่ได้จัดงานศพในวัดนะมีบริษัทรับจ้างเผาศพนะไม่เกี่ยวกับพระไม่ยุ่งกับพระเลยนะวัดก็ศูนย์ไปพระก็หมดไปศานะ ส, สนาเหลือแต่พิธีกรรมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองของเราทุกวันนี้ศาสนาใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะคนไม่ได้สนใจ ทำไมคนไม่สนใจทพระคนไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างไรคนรู้จักศาสนาพุทธก็แค่ว่าถึงปีก็ไปทอดกรถิ่นเจอหน้ากระถิ่นแล้วก็ปวดหัวมีแต่ซองเรียไรัยนะี่ศาสนาพุทธมีแต่เรียรัยเรียรัยนะไปศาสนาอื่นนะเขาให้เงินด้วยนะาศาสนาเนี่ยจ่ายเงินให้เป็นมี่ออกเงินให้เปลี่ยนศาสนาคนที่เปลี่ยนศาสนาได้นะคือคนไม่มีศาสนานะ ถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆมันไม่เปลี่ยนหรอกมัจะเปลี่ยนไปได้ยังไงเพราะว่ามันเห็นความจริงอยู่ในกายในใจของตัวเองแล้วความจริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้งั้นทุกวันนี้นะคนที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยหายากมากเลยคนที่หลงโลกเนี่ยมีมากเขาให้เงินนะก็ยอมเปลี่ยนาศาสนาเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยหลวงพ่อไปอีสานมาเมื่อไม่กี่วันนิ่ไปที่จังหวัดหนึ่งนะจังหวัด น, นี้แต่เดิมเนี่ยเข้มแข็งมากเลย ศา ส, สนาเข้มแข็งพระพุทธศา ส, สนาคนนับถือเยอะนี่ไปรอเรือบินเดินที่สนามบินจะไปห้องน้ํามีเด็กมันยกมือไหว้พ่อเขารีบบอกนะสอนแล้วไงว่าต่อไปนี้ห้ามไหว้พระเนี่ยสอนอย่างนี้นะเพราะพ่อเนี่ยรับเงินมาแล้วเปลี่ยนศาสนาแล้วเราอย่าลึกว่าศาสนาของเรามันคงแข็งแรงนะศา ส, สนาเรางอนแง่นกันจีแล้วแล้วอย่าไปฝากศาสนาไว้กับพระข้างเดียว ศา ส, สนาต้องอยู่ในมือพุทธบริษัทมีภิกษุที่ษุนีอุบาสอุบาสิกาภิกษุณีไม่มีแล้วถึงไปบวชขึ้นมาก็ไม่เป็นภิกษุณีแล้วเพราะว่าองค์ประกอบไม่ครบที่จะบวชได้แล้วเหลืออยู่สมบริษัทภิกษุอุบาสกเบสิกาอุบาสกาอุบาสบาิกาไม่สนใจธรรมะโยนทุกอย่างให้พระรักษาศา ส, สนาถ้าเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวถ้ามีไม่ถึงส 0,000 นองนะทุกวันนี้อย่านึกว่าเยอะนะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่พอออกพรรษาก็เหลือไม่ไม่มากแล้วมีจํานวนนิดเดียวเองแล้วเราอย่าลึกนะว่าศาสนาจะไม่หายไปจากบ้านเรานะพร้อมที่จะสูญหายไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะั้นถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เห็นคุณค่าว่าศาสนาพุทธมีคุณค่าอะไรื่อเราไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่รักเราก็ไม่หวงแหนเราพร้อมจะขายศาสนาพุทธได้นะักขอให้ได้ผลประโยชน์ มันเหมือนอย่างเราไม่รู้จักว่าเสียงของเรามีคุณค่าเราก็ขายเสียงให้นักการเมืองได้แล้วก็เดือดร้อนทีหลังั้นไหนๆก็มาเจอกันแล้วนะวันนี้ยใครไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนไม่เป็นไรนะแต่ว่าอยากแนะนําว่าฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศไวนะ้มีเยอะแๆเลยะะใน youtube ในอะไรนี้มีมากนะอย่าเอาแต่ฟังเพลงลองฟังหลวงพ่อสักเดือนนึงขอเวลาเดือนเดียว ถ้าชีวิตจิตใจไม่พัฒนาขึ้นเลยก็เลิกไปฟังอย่างอืงอ่นตามใจเลยนะกล้าท้าไหมประสบพ่อท้านะกล้ารับคาท้าเปล่าคนที่เดีจาหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยชีวิตจิตใ จ, จเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยเคยทุกข์มากเหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานเหลือทุกข์สั้นชีวิตมันเปลี่ยนเรารู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตื่นเลยภาวะแห่งความตื่นเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมาฝึกกรรมฐานที่ถูกเลง ถ้าฝึกกรรมฐานผิดก็ไม่ตื่นนะดีไม่ดีบ้าด้วยซ้ำไปเนี่ยถามหมอโรคจิตวันนี้ก็มีนะหมอโรงพยาบาโลโรคจิตมาหมอพวกพระภาวนาผิดหรือคารวะภาวนาผิดบ้าก็มีนะเพราะว่าไม่ได้ฝึกเจริญสติแต่ฝึกบังคับตัวเองฝึกบังคับใจจนมันเครียดไปหมดเลยจะทําอะไรก็เครียดไปหมดเลยเครียดหนักๆสติแตกงั้นเราเรียนกรรมฐ า, านนเรียนให้มันได้เรื่องได้ราวถือศีลห้าไว้ไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องตั้งใจรักษาศีลแปศีลสิ 8, สสอะไรมากมายหรอกนะ ศี <ink> ลห้าเอาให้รอดก็พอแล้วล่ะแค่นี้ก็บรรลุมรรคผลได้ละถือศีลห้าแล้วนะแล้วก็เมื่อฝึกใจต <barbecue> ัวเองะหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวเรื่อยๆเอรู้สึกตัวจิตใจอยู่กันเนื้อกับ ต, ตัวจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวลืมกายลืมใจนะไม่เห็นความจริงของกายของใจ ก็ไม่สามารถที่จะเรียนกรรมฐานได้เพราะกรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะฝึกนะหลวงพ่อฝึกอยู่ทั้งหมดเนะี่ยจากหลวงปู่ดูลยเจ็ดเดือนนะท่านบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วนะ เ, เข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วพวกเราก็ไม่ได้โง่หรอกถ้าตั้งใจจริงๆไม่กี่เดือนหรอกชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะงมงายเราจะหาทางไปไม่ถูกเลย เราจะรักพระธรรมนะธรร ม, มะนี้นะ่ะนําความสุขนําความสงบนําประโยชน์มาให้เราอย่างมหาศาลเราจะรู้ว่าพระสงฆ์ตัวจริงเป็นยังไงแต่งตัวอย่างหลวงพ่อนี่ยังเป็นสมมุติส่งนะแต่งตัวอย่างเนี้ยพระสงฆ์ตัวจริงอาจจะใส่สูทก็ได้นะใส่เสื้อเชิ้ตก็ได้นะแตใส่เสื้ออะไรก็ได้นะอยู่ที่ใจนะว่าใจเข้าใจธรร ม, มะแค่ไหนนั้นต้องอกตั้งใจฝึกไม่ใช่ธรร ม, มะเป็นของพระนะ เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเขาเป็นเจ้าของาศาสนาเท่าๆกับพระนะั่นแหละถ้าเจ้าของาศาสนาไม่รับผิดชอบที่จะรักษ า, าศาสนาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจะโยนให้เป็นภาระของพระข้างเดียวนะพะอไปก็หมดเพราะพระพใกล้จะหมดอยู่แล้วนะแล้ววันนี้เทศแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่เดิมไม่คิดว่าจะเทศยี่สินาทีหลวาพมพึอไปถึงเลยว่าพวกเราจะตั้งใจฟังปกติไปเทศงานศพเนี่ยมันจะมีคนเทศแข่งกับหลวงพ่อจํานวนมากเลย นานคล้ายๆงานชุมนุมสิทธิ์เก่ามาเจอหน้ากันนะักคุยกันจอกจ๊กจอกแจ๊กนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องหรอกไปฟังซีดีนะแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะทุกน้อยกว่านี้เอาแล้วละ่ะพอสมควรใ น, นเวลานะ